บางคนเคยได้ยินชื่ออาจารย์สุรวัติไหมอาจารย์สุรวัติเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทรุ่ น, แ, นแรกเลยท่านเล่าเล่าประวัติของท่านให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านเนี่ยท่านก็ทำกรรมฐานด้วยการเพ่งแล้วคิดว่าถูกเพ่งแล้วก็เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาท่านก็จะใช้คำสอนตัวเองบอกในใจว่าความโกรธไม่ดี ที่เขาทํานั้นบางทีอาจจะถูกก็ได้ประมาณานี้เพื่อดับโธสระที่เกิดขึ้นในใจแล้วท่านก็ไปถามหลวงพ่อประโมทบอกว่ า, วาที่ทําอยู่นี่ถูกต้องไหมถามทางอีเมลสมัยนั้นหลวงพ่อประโมทยังไม่บวชหลวงพ่อประโมทก็ตอบกลับมาว่าผิดที่ทําอยู่นั้นผิดอาจารย์จวตวรรษไลฟ่ฟังว่าอ่านอีเมลแล้วตัวชาเพราะว่าที่ทําอยู่นั่น ทำมาสิบกว่าปีแล้วทำมาสิบกว่าปีแล้วหรือว่าถูกยังผิดเหรอเนี่ยมีโทรศาท์เกิดขึ้นมาเราอุต h าหาเหตุผลเพื่อให้โทรษัอันดับผิดเหรอเอ๊ะผิดยังไงแล้วที่ที่ทําอยู่ผิดแล้วที่ถูกทอยังไงไม่เข้าใจอดหลนทนไม่ได้นะต้องกลับไปขอพบตัว mm hmm. ตอนนั้นหลวงพ่อประโมทยังไม่บวชก็ขอขอพบตัวท่าน พอไปไปพบกันแล้วเนี่ยก็แนะนำตัวว่าผมครับสุรวัตรครับที่เคยอีเมลมาถามจำได้จำได้ไดูดิอาจารย์ประโม่บอกจำได้ยังไม่รู้ตัวเลยนะทักอาจารย์สุรวัตรนะยังไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นยิ่งมืนใหญ่เลยยิ่งมืนใหญ่เลยแล้วลท่านก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนั่งฟัง าอาจารย์ประโมทเนี่ยสองคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วท่านก็นั่งฟังไปนั่งฟังแล้วก็เผลอเผลอไปเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยงงไม่รู้จะทาอะไรแล้วก็เลยช่างมันปล่อยไปพอใจเผลอเผลอแบบสบายๆท่านอาจารย์ก็ทักเผลอไปแล้วพอเผลอไปแล้วรู้ทันความเผลอมีสติขึ้นมาศัตรูของสติคือความเผลอรู้ทันความเผลอกลายเป็นมีสติ ศัตรูของสมาธิคือใจมันเคลื่อนรู้ทันความเคลื่อนได้สมาธิศัตรูของปัญญาคือความโง่รู้ทันความโง่คือฉลาดขึ้น <c oughs> <c oughs> การเรียนของเราเนี่ยนะไม่ใช่เรียนเพื่อจะทำยังไงให้ท่านมีสติทำไงท่านมีสติถ้าตั้งใจอย่างนี้นะมันจะมีการมีการตั้งใจเกินไป กลายเป็นว่าสติตัวนั้นเน่ยเป็นสติแบบปลอมๆสติแบบปั้นแต่งขึ้นมามีการสร้างสติแบบปลอมๆขึ้นมาเหมือนกับที่จะทําสมาธิแล้วพยายามเพ่งไว้ที่ใดที่หนึ่งกลายเป็นว่าสมาธิานั้นผิดไม่ใช่สมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นการเพ่งจับเอาไว้ออกแรงบังคับกลายเป็นสมาธิแบบเครียดเรามาเรียนสร้างสติโดยรู้จากสิ่งที่มันผิด ที่มันตรงข้ามกับสติอาจารย์สวัว่าบอกทั้งก็เลียงนี้เลยได้หลักเลยว่าถ้าจะเจริญสติคือรู้ทันความเผลอใจเราจะเผลออยู่ตลอดเวลาเกือบตลอดเวลาถ้าเราเริ่มมีฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะมีบางบางขณะที่มีสติแล้วหลายๆขณะเลยเผลอไป